เพราะเมื่อพวกครือขัดมีกิจที่ควรทําเกิดขึ้นกับใม่ก็เข้าไปช่วยเหลือซะเองเลยนะสมมติว่าถ้าเขามีเลี้ยงแขกก็ช่วยหันผักเขาเลยไงนะถ้าเขามีลูกก็ช่วยเลี้ยงลูกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องในราวอะไรพวกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้เยื่อใหญ่ในกามทั้งหลายนั่นนะเพราดูก่อนครือา บ, บดีก็บุคคลเป็นผู้ไม่เกิดความเยื่อใหยในกามอย่างไรดูก่อนครืา บ, บดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกครือขัด ไม่เพลินร่วมกันไม่โศกร่วมกันเมื่อพวกคฤหัสถถึงความสุขก็ไม่สุขด้วยถึงมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยคฤหัสถจะสุขเรื่องอะไรก็สุขเรื่องกาม น, านะพระก็ไม่ต้องไปสุขกับเขาอะไรหรอกถ้าเขาทุกข์ก็ทุกข์เรื่องกามอีกนั่นแหละก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรกับเขาเมื่อคฤหัสถมีกิจที่ควรทำนะนะเช่นเขาจะส่งจดหมายก็ไม่ต้องไปขยันกุลีกุจอรับส่งจดหมายให้เขาอะไรหรอกนะ ก็เลยเรียกว่าไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายอะไรกับเขาไม่ไปทำาเนสนากรรมอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ไม่เกิดความเยื่อใยในกรรมทั้งหลายดูก่อนครูหาบดีก็ภิกษุเป็นผู้ไม่มเมื่อคืนในไฟดับเลยนะ มาต่อข้อความในมาคันธิยะสุตตะในเทศที่เก้าในหน้าแ2 7รอยี่สิบเจ็ดต่อต่อไปดูก่อนคือหาบดีก็ภิกษุเป็นผู้ทาถ้อยคำแก่งแย่งกับด้วยชนเน่เป็นอย่างไรดูก่อนคือหาบดีภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทาถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ เป็นต้นเนี่นะก็คือถกเถียงกัน น, นะนะว่าใครเป็นผู้รู้จริงอะ่ะใครเป็นผู้รู้จริงในในคำสอนก็ท<อ>กกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ทําถ้อยคําแกงแย่งกับด้วยชนดูก่อนเครือข่าบดีก็ภิกษุเป็นผู้นะไม่เป็นผู้ทําถ้อยคําแกงแย่งกับด้วยชนเนี่ยอย่างไรดูก่อนเครือข่าบดีภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ไม่ทํา ถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ก็คือไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่แก่งแย่งกันในเรื่องหลักธรรมคำสอนนั่นเองอนะดูก่อนเครือหาบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตใดในมาคันธยะปัญหาอันมีมาในอัทธกะวกวาบุคคลละที่อยู่แล้วไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่มูนีไม่ทาความเยื่อใ ย, ยในกามเปล่าจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไป ไม่พึงทําถ้อยคําแก่งแย่งกับด้วยชนอันนี้ก็เป็นเนื้อความที่พระมหากัารยนะอธิบายตามพระพุทธพจน์ในพระองค์ก็ตรัสสอนมาคันธยะต่อไปว่าบุคคลชื่อว่าเป็นนาคสงัดแล้วจากทิฏฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกบุคคลชื่อว่าเป็นนาคไม่ยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นกล่าวดอกบัวมีก้านขรุขระ เกิดแต่อัมพุคือน้ําอันน้ําและเปลือกตมไม่เข้าไปติดฉันใดมุนีผู้กล่าวความสงบไม่ติดพันุ์ไม่เข้าไปติดในกามและโลกฉันนั้ น, น, นก็คือบุคคลที่เป็นนาค ก, ก็คือเป็นผู้ที่สงัดจากทิฐิเนี่ยนะอธิบายว่าคําว่าสงัดแล้วจากทิฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกมีความว่าคําว่าเหล่าใดคือทิฐิ คำว่าสงัดแล้วความว่าสงัดว่างเปล่าจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตราคาโทสะโมหะนะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นนั่นเองจนตลอดจนถึงอกุศลาพิสังขารคำว่าพึงเที่ยวไปความว่าพึงเที่ยวไปอยู่ผลัดเปลี่ยนอิริยาบทประพฤตินะรักษาบำรุงยังชีวิตให้เป็นไปคำว่าในโลกก็คือในมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสงัดแล้วจากทิฐิเหล่าใด พึงเที่ยวไปในโลกบุคคลชื่อว่าเป็นนาคเพราะไม่พึงยึดถือทิฐิเหล่านั้นกล่าวนะก็ขยายศัพท์คําว่านาค ก, ก่อนนาคนี้เพระอัตถาว่าไม่ทําความชั่วนาคเพราะอัตถาว่าไม่ถึงนาคเพราะอัตถาว่าไม่มายกสามความหมายนะคำว่านาคนาคบุคคลชื่อว่านาคเพราะอัตถาว่าไม่ทําความชั่วอย่างไร ธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลทำความเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นปัจจัยแห่งชาติชราและมรณะต่อไปเรียกว่าความชั่วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนสภิยะบุคคลไม่ทำความชั่วใดๆในโลกสงัดกิเลสเป็นเครื่องผูกในความประกอบทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องในธรรมะทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เป็นผู้คงที่บัณฑิตกล่าวว่านาคเพราะเป็นผู้เที่ยงตรงนะนความหมายของคําว่านาคเน้นที่ผู้ไม่ทําความชั่วเนี่ยนะผู้ไม่ทําความชั่วเรียกว่านาคไม่ทําบาปไม่ทําอกุศลเป็นผู้ที่สลัดออกจากกิเลสทุกชนิดนะ น, นะเรียกว่านาคอย่างอัฏฐะที่สองบอกว่าบุคคลชื่อว่านาคเพราะอัฏฐะว่าไม่ถึงไม่ถึงถามว่าเป็นอย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นนาคย่อมไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติก็คือเป็นผู้ที่ไม่ถึงอัคติ4ีนั่นแหละเรียกว่าเป็นนาคหรือไม่ถึงด้วยาสา ม, มารถแห่งราคะโทสะและโมหะมันก็ไม่ถึงอารมณ์ทั้งหลายนะไม่รับรู้อารมณ์ด้วยกิเลสเหมือนกันไม่ถึงด้วยาสา ม, มารถแห่งมานะทิฏฐิอุทจวิจิกิชาและอนุสัย มันไม่ถึงด้วยอำนาจบาปอากุศลนะ น, นะย่อมไม่เป็นไปดำเนินไปแล่นไปเพราะธรรมะทั้งหลายอันทาความเป็นพวกบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นนาคไม่ถึงก็ไม่ถึงอคติสี่ไม่ถึงทำกิเลส8เนี่ยนะก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอุทจาวิจิกิจชาและอนุสัยอันผู้ที่เป็นนาคเขาไม่ถึงแบบนี้ ส่วนบุคคลชื่อว่าเป็นหน้าเพราะอัฏฐว่ายไม่มาถามว่าไม่มาอย่างไรบอกว่ากิเลสเหล่าใดอันบุคคลนั้นละได้แล้วด้วยโสดาปฏิมัคบุคคลนั้นไม่มาไม่ย้อนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกถ้าอริยมรรคที่ของท่านที่เกิดขึ้นแล้วไม่ย้อนกลับมาหากิเลสอีกสกทาคามิมัคที่เกิดขึ้นละกิเลสก็ไม่ย้อนกลับมาหากิเลสอีกอนาคามิมัคก็เหมือนกันอรหัตตมรรคก็เหมือนกันบุคคลนั้น่ะ ย่อมไม่มาไม่ย้อนกลับมาไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกบุคคลชื่อว่าเป็นนาคเพราะอธิว่าไม่มาอย่างนี้คําว่าบุคคลชื่อว่าเป็นนาคเพราะว่าไม่พึงยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นกล่าวความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นนาคไม่ถือคือไม่พึงจับถือเอาไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิเหล่านั้นกล่าวคือบอกพูดแสดงแถลงว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นนะท่าน ท่านไม่จับเอาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอันตักคาหิกะทิฏฐิสิประการเนี่ยนะทิฏฐิที่ถือว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นเปล่าเป็นต้นเนี่ยคำว่าดอกบัวมีกา้านขรุขระอันเกิดแต่อัมพุคือน้ําอันน้ําและเปือกตมไม่เข้าไปติดฉันใดคําว่าน้ําเรียกว่าเอระน้ําเรียกว่าอัมพุดอกบัวเรียกว่าอัมพุชะอัมพุชะก็คือเกิดในน้ำเนี่ยบัวนั้นมีกา้านครุขระเรียกว่ามีก้านมีน้ํา น้ำเรียกว่าวารีอธิบายว่าดอกบัวที่เกิดแต่น้ำเป็นอยู่ในน้ำอันน้ำและเปลือกตมไม่ไปติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นของอันน้ำและเปลือกตมไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดันใดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าดอกบัวมีกา้านครุขระอันเกิดแต่น้ำอันน้ำและเปลือกตมไม่เข้าไปติดฉันใด มุนีผู้กล่าวความสงบไม่ติดพันไม่เข้าไปติดในกามและโลกฉันนั้นนะมุนีก็คือผู้มีโมเนยธรรมอ่ะนะคือผู้มีปัญญาทางกายวาจาและทางใจนั่นแะมุนีผู้กล่าวความสงบนี่นะกล่าวธรรมะต้านทานกล่าวธรรมะที่หลีกเล้นกล่าวธรรมะเป็นที่พึ่งกล่าวธรรมะที่ไม่มีภัยกล่าวธรรมะที่ไม่เคลื่อนกล่าวธรรมะที่ไม่ตายกล่าวนิพพานเรียกว่า พระพูเทอเจ้านะคือมุนีผู้สงบท่านกล่าวนิพพานคําว่าไม่ติดก็คือไม่ติดด้วยอํานาจตันหานะตันหานี่เรียกว่าความติดได้แก่ความกําหนัดความกําหนัดกล้าเป็นต้นอภิชาโลภาอกุศลมูลความติดพันนั้นอันมุนีใดละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานมุนีนั้นเรียกว่าไม่ติดพันนั่ะไม่ติดพันด้วยตันหานี่นะมุนีนั้นไม่ติดไม่ติดพัน ไม่พัวพันไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะไม่มีฉันทราคาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะในสกุลคณะและอาวาสในลาบยศสรรเสริญและความสุขเนี่ยนะไม่ว่าจีวรบินทบาทเศสนอาสนกะีฬาณนะปัจจัยเภสัชบริขารในการมาทารูปประธาตอรูปประธาต์ในการมาพบรูปรปะระพบารูปประพ บ, ะพบในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพ ในเอกโวโการาภพเจตุโวโการาภพปัญจโวโการาภพในอดีตอนาคตปัจจุบันและในธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบที่รู้แจ้งคือเป็นผู้ปราศจากความติดพันอันปราศจากสละเนี่ยนะคายพ้นสละคืนเป็นผู้ปราศจากนะเป็นผู้มีความกำหนดอันปราศจากสละคายพ้นละสละคืนแล้วเป็นผู้ไม่หิว เป็นผู้ดับเป็นผู้เย็นเป็นผู้มีตนอันประเสริฐเสวรสุขอยู่อันมุนีผู้กล่าวความสงบคือกล่าวนิพพานเนี่ยนะไม่ติดพันุ์ในภพทั้งปวงในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะคำว่าไม่เข้าไปติดในกามและโลกความว่ากามก็แบ่งเป็นสองคือวัตถุ ก, กามและกิเลสกามเนี่ยนะก็คำว่าในโลกก็คือในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคำว่าความติดก็คือความติดด้วยอํานาจตันหากับทิฏฐ มุนีนั้นละความติดด้วยตันหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิแล้วไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดคือเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่ติดไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดในกามและในโลกเป็นผู้ออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องมีจิตปราศจากเขตแดนกิเลสอยู่สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าบุคคลชื่อว่าเป็นนาคเป็นนาคก็คือมีความหมายสามอย่างนะไม่ทาความชั่ว ไม่ถึงและก็ไม่กลับมาหากิเลสอีกท่านนิสงัดจากทิฏฐิเหลา่าใดเที่ยวไปในโลกแล้วก็บุคคลชื่อว่าเป็นนาคไม่พึงยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นกล่าวนะท่านไม่ได้พูดตามมิจฉาทิฏฐิอะไรเลยอุปมาเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำเนี่ยนะที่อาศัยน้ําและเปลือกตมเกิดขึ้นเนี่ยนะแ ต, แต่ก็ไม่ติดในน้ําฉันใดมูนีผู้กล่าวความสงบกล่าวนิพพานเนี่ยไม่ติดพันุ์ ไม่เข้าไปติดพันในวัตถุกรรมกิเลสกรามและในโลกทั้งปวงฉันนั้นพ ร, ระองค์ก็ตรัสสอนมาคัณยภพรามต่อไปว่ามุนีพูดถึงเวทนั้นย่อมไม่น้อมไปด้วยทิฏฐิคือไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่ทราบมุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีตัญหาอันกรรมและเสียงที่ได้ยินไม่เพึงนำไปได้ เป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่นําเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายคําว่าพูดถึงเวทเนี่ยนะถึงเวทก็คือพูดถึงยานในมรรคสี่นะพูดถึงเวทก็คือพูดถึงยานในมรรคสี่นะโสดาปฏิมรรคสกธ า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคอนหัตตมรรคเนี่ยยานในมรรคสี่ปัญญาปัญญีสีปัญญาทละธรรมวิจยะสัมโพชฌงปัญญาเป็นเครื่องพิพจารณาวิปัสนา สัมมาทิฏฐิเรียกว่าเวทมุนีนั้นเป็นพี่เป็นผู้ถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงที่สุดรอบบรรลุที่สุดรอบถึงที่สิ้นสุดบรรลุที่สิ้นสุดถึงที่ป้องกันบรรลุถึงที่ป้องกันถึงที่หลีกเล้นบรรลุถึงที่หลีกเ้่นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัย ถึงที่ไม่เคลื่อนบรรลุที่ไม่เคลื่อนถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงนิพพานบรรลุนิพพานแห่งชาติชราและมรณะด้วยเวทเหล่านั้นคืออาศัยเวทเนี่ยนะทำให้บรรลุถึงพระนิพพานนิพพานมีหลายชื่อว่าที่สุดส่วนสุดที่สุดรอบที่สิ้นสุดที่ป้องกันที่หลีเกรนที่พึ่งที่ไม่มีภัยที่ไม่เคลื่อนที่ไม่ตาย ทั้งหมดนี้ก็เป็นชื่อที่ใช้แทนธรรมานิพพานอันผู้ที่ถึงนิพพานอย่างนี้ก็หลุดพ้นจากชาติชราและมรณะด้วยเวทคือด้วยอารยมรรคนะเพราะว่าการบรรลุพระนิพพานก็อาศัยอรรยมรรค